หลังจากนี้พระสงฆ์จะเรียกเข้ามาในเขตหัตถบาตของพระสงฆ์เมื่อเราเดินมาถึงครึ่งโบสให้คานเขาเข้ามาจนถึงข้างหน้าอุปชายยะแล้วกราบสงฆ์โดยกราบข้างหน้าหนึ่งครั้งซ้ายมือหนึ่งครั้งขวามือหนึ่งครั้งโดยการเอี้ยวตัวเพียงเล็กน้อยไม่ต้องขยับหัวเขา่าแล้วว่าสร้างคำพันเตพร้อมกันโดยถ้าโบส์หลายคนให้เปลี่ยน เป็นญาจามะและอุลลุมปตุโน่ถว่าคนเดียวให้ว่ายาจามิและอุลลุมปตุมังในที่นี้จะว่าแบบบวชหลายคนสร้างคำพันเตอุปสัมปดังยาจามะอุลลุมปตุโน่พันเตสร้างโข อ, อนุกัมปังอุปดายะดุติยมปิพันเตสร้างขังอุปสัมปดังยาจามะ อุลุมปตุโนพันเตสังโฆ อ, อนุกัมปังอุปาดายะตะตยัมปิพันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามะอุลุมปตุโน่พันเตสังโฆ อ, อนุกัมปังอุปาดายะในท่อนสังค์ำพันเตนี้สังเกตเรื่องการหยุดวักให้ดี เพราะจะต้องว่าพร้อมกันถ้าหยุดวักไม่พร้อมกันจะทำให้เสียจังหวะข้อสังเกตคือในวักแรกนั้นไม่มีการหยุดวักในระหว่างเลยต่อจากนั้นหยุดวักหลังคำว่าพันเตทุกครั้งต่อกันอีกห้าครั้งขอให้ว่าจังหวะให้พร้อมเพียงกันหลังจากว่าท่อนสังคำพันเตนี้จบแล้วพระสงฆ์จะถามอันตรายที่รมซ้าใหม่ให้เราตอบ นัตถิพันเตห้าครั้งอามะพันเตแปดครั้งชื่อตัวเองและชื่ออุปชายยะจากนั้นพระสงฆ์จะทำการสวดยติจนจบก็เป็นอันเสร็จพิธีก็ไปทำการถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ทุกเทียนเป็นต้นแล้วกลวดน้ำในการกรวดน้ำนั้นให้จับภาชนะกรวดน้ำไปตรงๆโดยไม่ต้องเอานิ้วมือไปลองบางทางน้าเพราะเป็นการ อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เราตั้งใจจะให้การไปเอามือขวางน้ํานั้นเอานิ้วไปขวางน้ํานั้นเหมือนกับการขัดขวางการให้ของเราเองจึงไม่สมควรให้จับภาชนะบรรจุน้ําเทลงไปอย่างเดียวต่อไปนี้จะว่าตัวอย่างของการให้อนุโมทนาแก่ผู้ที่มาทําบุญ